ที่เฉยๆคาว่าที่้นี่ชี้ซึ่ของมีอยู่ก็ดูที่เราชื่ออะไรก็ต่ามชี้ใครดูนะชี่ของมีอยู่ตรงนั้นของมัมีไปที้ยังไงไม่มีไปที่ได้หรอของมีอยู่มีอยู่ที่ไหนก็ที่เข้ามาในตัวของเราที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกๆคนถ้าหากเราเห็นแล้วเราปฏิบัติตาม เราเป็นคนคนแจกถุกเราฟังเพื่นเผลนกับใครค่ายกับเราพระพุทธเจ้าเป็นผลแจกธรรมะแป่งปันธรรมะให้อย่างเราจะเห็นได้เช่นเราสมาทานศีลพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ศีลพระไม่ได้ให้ศีลถ้าพระเอาศีลให้พวกเราญาติโยมพระก็หมดศีลกวนถวังก็เลยหมดจ้ะ คามเป็นจริงท่านไม่ได้ให้ท่านบอกให้เรางดเว้นเสียจากโทษดังนั้นโทษหาโทษแต่ประการนี้จะเวาลาท่านให้กินไม่ได้แต่ภาษาเราพูดกันว่าถ้าให้กินคำสมมติบัญญัติอันนี้แหละอันเลยไปเข้าใจผิดแต่ความจริงหาได้เป็นดังนั้นไม่ คือบอกให้เรางดเว้นให้จากความชั่วคือโทษนั้นนั่นชั้เดียวกัวนกับเทวคุณเจ้าทันเทศนาอันนี้ก็เรียกว่าเทศนามันคือให้จิตนี่ธรรมะที่พระเจยาวท่านสอนพวกเราเราก็สอนที่เข้ามาในตัวของเราทุกๆคนซึ่งมีอยู่แล้วในตัวตนของเราทุกๆคนนี่ว่าเฉพาะทเรื่องการปฏิบัติธรรมที่จะอธิบายในวันนี้น่ะ ปฏิบัติยังไงปฏิบัติธรรมคือดังกล่าวแล้วว่าธรรมนี้ดวงเราทุกๆคนธรรมที่มีดวงเรานั้นบรรยัตให้มีชื่อสมุิให้เข้าใจเรียกว่าธาตุขันอายตนะธาตุขันธ์อายตนะนี่เป็น ที่ตั้งแห่งธารไอ้นี่เป็นที่ตั้งและที่เกิดของปัญญาเราต้องมีที่ตั้งและที่จับจุดในการที่เราพิจารณาจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาที่เราพิจารณา น, านี้เรียกว่าปัญญาสัพพิสินปัญญาเจริณ ปัญญาปกติธรรมดาถ้าหากเราไม่ตะสมเราไม่เจริญไม่เกิดอยู่ได้เฉยไม่เกิดปัญญาดังภาษาโบราณท่านเคยพูดกันว่าคนที่มีปัญญาคือคนช่างคิดช่างกรองคนที่กรึกทรองคือช่างคิดช่างนึกกันนั่นเขาเรีคนมีปัญญาภาษาเป็นรุ่นบางเราก็พากันพูดกันอยู่ ถ้าคนใดไม่คิดไม่นึกไม่คึดไม่กอ่อเห็นก็ไม่รู้จักคิดฟังก็ไม่ไรู้จักนึกไม่รู้จักคิดไม่จะรู้จักนึกอะไรรู้ยไม่มีปัญญาเะนั้นการที่รู้จักคิดจางนึกรู้จักทุกข์ผลปัญญานี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาปัญญาเกิดได้เพราะการเจริญ อ, อันนี้เจริญ ต, <อ>ตรงไหนละการนี้ ไม่ใช่เจริญที่ภายนอกการเจริญภายนอกคิดนึกในการที่จะประกอบกิจการงานนั้นนี่อะไร ต, ต่างๆทุกสิ่งทุกประการที่เราทําออกไปนะก็เป็นการเจริญปัญญาเหมือนกันแต่ในทางพุทธศาสนาท่านใดให้เจริญอย่างนั้นให้เจริญเข้ามาในตัวของเราดังตั้งบทไว้เบื้องต้นตั้งรักเ อ, อ่ยตั้ง ที่จะให้เกิดบ่อเกิดของปัญญาที่อธิบายบ้านเมืองตน้นว่ามาันที่นี่ว่าธาตุขันอาตนาอินทรีตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าธาตุสี่เอาตั้งตรงนี้แหละนี่แหละพิจารณาตรงนี้แหละถ้าหากเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่เคยคิดเจอพิจารณาเราก็จะเห็นเป็นตัวตนคนเราคนหนึ่งตัวของเราเนี่ย ว่าเป็นตัวคนถ้าหากว่าเรามาทิ้งคําว่าคนนึว่าตนว่าตั ว, ว, ว, วลองลองดูสิครับมันจะเป็นอะไรกั น, นจะเป็นก้อนอะไรกันไม่จาบอคนก็จะไปพูดสิตนก็จะไปพูดนะอันนี้จะเป็นตัวอะไรกันก็นไม่จับอันนี้อันที่ไม่มีชื่อไม่มีส ม, มุดเนี่ยแต่มันปรากฏอย่างนี้แหละ ถ้าเราทิ้งชื่อส ม, มุติเนี้ไปแล้วนั้นตั้งใจมาคิดคิดเจรนาจิิงจะเกิดปัญญาเรามาดูตัวนี้อันตัวก้อนตัวเนี้ยเป็นตัวอะไรกันแน่เมื่อเราได้เคยได้ยินฟังคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเข้าไปคิดคุณเจรนาดังเราพังกําจัดทะยายอยู่แล้ว่ะ ที่มาชมิงกายเยเกซาโลมานะคะธรงมตาต า, าโตไล่รามาดูสิอันนั่นก็เป็นผมอันนั่นก็เป็นขนอันนั่นก็เป็นเล็บอันนั่นก็เป็นฟันอันนั่นก็เป็นหนังไปแยกออกทั้งหมดเลยคนไม่มีไม่กับไปไหนทางหมดไม่มีคนยกลงมาเป็นาการสามที่สองทั้งสาที่สองประการนี่แหละแย ก, กไปธาตุสี่ คือสิ่งที่มันแข็งคน้นจะเป็นธาตุดินใช่เหเข็นผมขนเล็บฟา ง, งเนื้อเอ็นกระดูกเยืเย้อเอนกระดูกมากหัวใจตาพังผืดใจใหญ่ใจน้อยหลายอันเก่าจิบแปดได้เป็นดินดินมีลักษณะพิษแปลกันไม่ต้องดูอื่นกันนะไม่ให้จิ๊บต่งไปที่อื่นอนะ่ะดูเฉพาะผมถ้าขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นมีลักษณะพิษแปลก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 มีในตดวกเราเนี่มีเรียกว่าธาตุธาตุน้าธาตุลมคือลมขึ้นข้างบนกว่าดีลมลงข้างล่างกว่าดีคนเท่าคนแก่ผมจะเห็นชัดอยู่ดอกเรีอกลมขึ้นข้างบนมันทําให้มืดหน้ามืดตามันเลอะมันไอเจียนออกมานี่ยเรียกว่าลมขึ้นข้างบน ลมลงข้างล่างคื่อมาขับให้ปัสสวะอุจจาระถ่ายเอออกมาได้ระบายลมภายในลุมลงข้างล่างลมพัดไปในตัวคือว่าลมมาซ้านจากตัวของเราคนเราเนี่ยมีลมซ้าสร้านไปทั่วทั้งทางกายระบายตามภูมิคุมกัอันนี้ลมในตัวลมในใสในปุ๋ง ทำให้เจ็บให้คัดให้อืดให้เฟ้อท้องเพ้อท้องขึ้นเริ่ประการต่างๆหายหน้าเป็นลมอยู่ในลำไสลมพัดไปในตัวลมหายใจออกหายใจเขา้าเป็นช่องระบายช่องใหญ่มีพัดผันไปมาทั่วสารพางกายอันนี้เรียกว่าธาตุลม ธาตุไฟก็ไม่ปรากอดธาตุลมก็ไม่ปรากอดธาตุไฟคือทําให้เราอบอุ่นที่มีอยตัวของเราทั้งหมดถ้าหากที่ไหนธาตุไฟไปไม่ถึงธาตุลมก็ไปไม่ถึงเลมก็ไปมาตาง ม, มาไปดังเราจุดเทียนธาตุลมไม่มีเทียนมันก็ไม่ติดก็ไม่ลุกไฟมันต้องอาศัยพราไฟติดแล้วก็ทูให้ลมดึงเงินไปดึงดุกทางไป มันไฟกับลมมันติด ก, กันไปมันอบอุ่นไปทั่วชั้นทางกายเพราะลมพัดผันไปมาทําให้ธาตุไฟอบอุ่นทั่วถ้าไฟไปไม่ถึงก็คือลมไปไม่ถึงนั่นเองมันทําให้เน็บให้เหมือนเนื้อให้ตายเย็นก็ได้ายาประการต่างอันนี้เรียกว่าธาตุไฟไม่ถึงไฟให้อบอุ่นทั่วยังกายของเรา ไฟอันหนึ่งเป็นเหตให้เผาอาหารในย่อยยับถ้ามันมีไฟหรือไฟอ่อนอาหารในย่อยบูดเนา่าอันนี้อาศัยไฟกองนั่นแหละเผาอาหารให้บูดเนา่าเราทานอาหารลงไปบางทีจะเป็นของแข็งเช่นกระดูกอ่อนอย่างนี้เป็นต้นยรเม็ดมาขามไม่ม็ดใก็ตามแต่ที่แข็ ง, ขง ถ้าหาไม่มีไฟกองนี้เผาให้เสร็จแล้วก็แล้วชนะไม่ละลา ย, รายหรอกไอกองนี้สําหรับเผา <c oughs> ไฟอีกชนิดหนึ่งร้ายกาที่สุดก็คือไฟย่างร่างกายของเราให้แหวบแหงชํารุดสุดโสมไฟอันนี้ทําให้เราแก่เฒ่าสุ้ดชุดโสมแหวบแหง อันนี้ไปไลา้มากไฟอบอุ่นยังกายอุน่นไฟยังกายให้ยังให้เผาอาหารให้ย่อยยับไปไฟที่เผาร่างกายเหี่วแห้งชุดโศกไฟทั้งหลายที่มีอยู่ในตรวงเราทั้งหมดนี่ถ้าหากเราพิจารณาอย่างนี้ ทางลมทางดินทางน้าทางลมทางไฟพาพิจารณาตัวของเราแล้วเราจะมองเห็นตัวของเรานะ่นี่ะเป็นโลกอันหนึ่งทั่งมีดินน้ําไฟลมผสมกันเป็นก้อนขึ้นมาแล้วครับทํางานตามหน้าที่ของมันมีดินน้ําไฟลมผสมกันแล้วก็ทํางานตามหน้าที่ของมัน เช่นเท้าเช่นมือของเราตัดีที่เราจะคูดเหยียดได้ที่จะขึงจะกึ้งก็ไปได้หรือประกอบการงานอะไรกับข้อมือนี่แหละมันช่วยให้มันคล่องแคล่วแม้ที่สุดแต่อาหารที่อยู่ในกระเพาะของเราที่เราทานลงไปกระเพาะไฟวทั้งหลายนี้กเพาะลมทั้งหลายนี้แหละทำหน้าที่ของมันให้ย่อยย่าง ตือทราบไปตามเส้นประกาศทําสันทางกายของเราให้มีให้ชุ่มชืดสดใสไม่แหวแหงน้ำไปหล่อเลี้ยงโดยที่เราไม่เด่นนึกคิดเลยไม่เด่นประสงค์อะไเลยโดยที่เราไม่ได้บังคับมันเลยแล้วก็ทําหน้าที่ตามเรื่องของเขาคนจะเป็นไปเพื่อการหล่อเลี้ยงมันก็หล่อเลี้ยงไปตามเรื่องอันใดมันเป็นกากเป็นเศษมันก็ทับทับถ่ายออกไปตามเรื่องเขา มันน่นเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าหากเราหมาพิจารณ์อย่างนี้แล้วมันจะไ ม, มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาชนิดหนึง่งถ้าหากจิตของเรารว ม, มันคือจิตของเราทั้งอกไปพร้อมๆ ก, กับการวิจารณ์เลยจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาในขณะนั้นอย่างน้อยที่สุดจะมีความรู้สึกว่าแปลกประหลาดร่างกายไี้เป็นของแปลกประหลาดมาก เรือวิจัย น, นั้นเราจะเห็นร่างกายนี่เป็นเครื่องจกักรยนกลไกอันหนึ่งซึ่งมันทํำงานอยู่ตลอดวันทำคืนรูยี่ิบสี่ชั่วโมงเียไม่มีหยุดเลยจากอันนี้นะถ้าจะเกิดจนวนตายหยุดเมื่อไรก็ตายเหมือ น, นั้นนี่จะเกิดคองรูปแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นของหน้าคิดแป็นของหน้าคิดนานเป็นของแปลกประหลาดจริง คนเลยจะไม่มีอล้วคันนี้แล้วเป็นเครื่องจักรไปแล้วคนเลยหายไปเลยจะกลายเป็นโลกไปแล้วคนก็เลยหายไปจะเป็นเครื่องยนต์ไปอีกอ่ะเหตุนั้นสมัยครั้งพุทธกาลทั้งขง้าพเจ้าทั้งหลายท่านเห็นหน้าเห็นตากันท่านไม่เคยพูดท่านเลยเดือบือท่านสบายดีอยู่หรือหรือว่าท่านเป็นอะไรท่านมาจากไหนท่านไปยังไงท่านไม่สิไม่พูดอย่างนั้น ตั้มนวลของพระ อ, อริยเจ้าท่านคือท่านไม่มีสมบุญบัญาติท่านเอาของจริงนมาพูดท่านบัญญัติจะดังหักของท่านตามเป็นจริงสมมติขึ้นตามเป็นจริงคําว่าคนมันก็ไม่มีคําว่ามนุษย์มันก็ไม่มีเลยท่านเลยเปรียบพอเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ทักทายกันสรีระยันตังยนคือสรีระของท่าน คามันิยังพออดกลัน้นหรือซาลิระยันตังยนคือซาลิระของท่านน่ะจะดูจะจา ก, กางมีจจกสีมามันิยังพออดกลั้นหรือมั่นท่าถามกันอย่างนี้ซาลิระยันตังจะดูจากตังนพะทวารังมีทวารเกา่าขมานันิยังพออดได้หรือทําไมท่านยังถามกันงั้นถ้าไปดูของจริงคือความจริงมันว่า ทะเลานี่เป็นเรื่องยดเป็นเครื่องยดจะดูจะจจ ก, กังไม่จักสี่คือได้เกียริยาบทสี่เว่าทวารังมีทวารเก่านับดูสิทวารเรามีเก่ามัดทั้งตัวถ้ามันยังเพาะอดทนทานอยู่หรือไม่นั้นกัพวกเราทุกวั น, นนี้เนี่ยเพราะเราก็เห็นหนายอาจารสบายดอีอันนี้พุทธเจ้าก็สบาย โกโหกกันทั้งเทท่านท้าทุ่มจีงแล้วโกโหกกันทั้งเทไม่จช่ในความสบายไม่จักไหนเพียงแต่ว่าพออดผดผนได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแหะไม่มีความสบายเราคนเราจงเคยอธิบายฟังมาแล้วอ่ะคุกข์อตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแม้ที่สุดจะนอนหลับก็ยังมีทุกข์ตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมาแต่ทุกข์ ขนาดที่ระลาบยังเป็นอย่างทุกคือมันยังกลับพลิ่งไปมาโดยที่เราไม่ได้สั้งใจจะพลิ้งกลับไปมาแต่ว่ามันทนได้ไหมมันทนไม่ไหวมันกลับตัวมันเองนี่แสดงไว้ทุกข์เต็มที่แล้วพดร้านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นครับถ้าจะพูดถึงเรื่องรอเรื่องเปลี่ยนมันก่อนลิ้งไปหมุนไป เราเดินไปได้มาในกระเม่นกระพี้ไปหมุ น, น ไ, มไปนนแล้วปัญญาที่เรามาพิจารณาอย่างนี้ให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาคิดแอะจากปกติเดิมเพื่อความคิดนึกแต่ก่อนเก่าเราเข้าใจวอาเป็นคนที่หลังถ้าหาเร า, าพิจารณาดังอธิบานนี้เกิดความรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่คนแต่แล้วค่ะนี้มันเป็นเรื่องจากแแล้ว อาจเป็นเรื่องยนจากคนไก่ก็แล้วเรื่องเป็นโลกอันหนึ่งก็แล้วนอกจากนั้นอีกหากคนจะมีปัญญาสอดแหลมเข้าไปอีกมันจะเห็นตัวตนผลทั้งหมดตัวของเหล่านี้ประกอบไปแล้วด้วยสุภาพปฏิกูลดังที่อธิบายมานะค้มก็เป็นของปฏิกูลโดยครบ คนเล็บควันหนังยิ่งแล้วการดูละเอ็นยิ่งเป็นของนาาษษษ่าปฏิบูรมากอาหารใหม่อาหารเก่าภายในแย่ไงจำนวนโบราณท่รรานอธิบายว่าหลุมส้วมคนเราเนี่ยคือหลุมสวบดีๆนี่แหละปุกคาลันตงังปุ๊คาลันตงังไหลออกไหลเขา้าข้อเก่าไหลออกไปข้อใหม่ไหลเข้าไป ไหลก็เยอะงั้นไม่ใช่ไหมทับถ่ายไหลไปแต่ทางชวานหนักตามผมขนต่างมันก็ซึมซาบครับถ่ายครับถ่ายออกไปที่ว่าเหงือ่อแบบไทยมันตั้งไว้ของบริกูลโดยส่วนเดียวแล้วไม่คิดใครพูดในเรื่องบริกูลในเกลียดไม่อยากฟังแล้วไม่อยากพูดด้วนแล้วไม่อยากคิดด้วยคือ ไม่อยากเห็นของจริงนั่นเองถือว่าเป็นของเลวใชะเลยไม่ได้ของจริงสักทีหากว่าเราสู้ตั้งใจที่จะพยารณาของจริงแล้วจะเห็นชัดขึ้นมาเพราเป็นของปฏิกูลแท้อันนี้เราเบื่อห น, นีใช่ไมไม่อยากเห็นของจริงพูดก็เลยไม่อยากพูดเลยนึกคิดก็เลยไม่อยากนึกอยาคิดจึงเรื่อง จึงเป็นเรื่องปกปิาไม่ให้เกิดของรู้ขึ้นมาเห็นต่างเห็นต่างไปจริงขึ้นมาหรือีม่ฉะนั้นข้าหากว่าเราตั้งใจพิจารณาจิตมันอยู่กับที่สงบเป็นสมาธิไปพร้อมกันอาจจะเกิดของรู้ขึ้นมาอีกหลายด้านหลายทางเช่นเห็นเป็นของปฏิกูลแล้วยังไม่แล้ว เห็นเป็นที่ขอบพระคุมกัรเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายเห็นเป็นก้อนทุกข์ทนเท่ากับจริงจริงจังจังดังเท้านวลพระเดชเจ้าจังคำนี้ยังพออดกลั้นได้หรือคำว่าอดกลั้นในสมัยทุกเต็มทีเหละที่ค่อยจะอดตองกลั้นต้องทนทุกข์แล้วเศสู้กับทุกข์อ่ะเรียกว่าอดกลั้นเห็นเป็นก้อนทุกข์แล้วจะ ทั้งเวทตลดใจในดวงของเราเองบอกเหน็ดตั้งจะเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้คนทุกขใ์ใจจริงแล้วจะเห็นขมโงมงตออัวเองเราเพ้อเพลินมัวเมาแต่ไหนแต่ไรทํำไ้นึกคิดว่ามันทุกข์นิงแต่เลยืยมาบัดนี้ชัดเสนอแม่ก้อนทุกข์จริงเราเพ้อเพลินรุ่มหลง ม, ม, มัวเมานั้นเราไม่เห็นแล้วจึงค่อยหลงัวเมาเมาอยู่ในกองทุกข์ เพื่อเกนีกก่อนทุกขจริงๆจะเห็นความโง่ของตนเกิดขึ้นมาความฉลาดเกิดแล้วก็เห็นความโง่ของตนนะครับถ้าคนโง่ยังปกปิดอยู่ตราบใดาความฉลาดไม่เกิดและไม่เห็นความฉลาดสักทีฉลาดจะฉลาดแกมโง่นั่นแหละฉลาดอะไรก็ฉลาดไปเถอดเห็นเทียวก็เปือกเป็นตื้อๆนั่เปิด ก็ว่าตนเห็นแล้วว่าตนฉลาดแล้วตนรู้แล้วเตียงพอแล้วนั่นไอ้ฉลาดไอ้ฉลาดแกโง่ถ้าไม่เห็นอย่างว่านี่ละมันตั้งโง่แสนโง่จะไม่โ ง, ง, ง, ง่ไงนอนเฝล่ามาตั้งแต่เกิดจะตายไม่เคยพิจารณาเลยสักทีแล้วไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยสักทีจะไม่โ ง, ง, ง, ง, ง, ง่ไงนี่แหละถ้าหากว่าเรา มาตั้งหลักจับจุดอันนี้ได้แล้วมาตั้งใจพิจารณาธาตุขันอันนี้ว่าเฉพาะทั้งเรื่องธาตุคณะพูดทั้งเรื่องธาตุไปธาตุสีไปลงแล้วก็ไม่ห น, นี้ก็ไอ้ผิดแจกขันในกันคือขันธาตุขันธาตุสมัยจุลุบนี้แหละไม่จะให้เกิดปัญญาอย่างที่บายอนนี้นี่มันต้องเข้าไหนอย่างนี้พิจารณาธรรมะ เพื่อได้เจริญเทศนาเพื่อให้ทำละตัวตนคนเราแต่ละคนละคนถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันจะโลภโมโทัศนไปที่ไหนคนเรามันจะไปหลงความสวยความงามมาจากไหนหลงหนุ่มหล ง, ล ง, ลงแก่มาจากไหนนั้นนม่มีหรอกมัน ม, มีด้วจะสลดทั้งเวทในใจตองตนทิฏฐิมานะที่เลยทั้งปวงหมดความโลภความกลัวจะต้องหายนีเลย หายเด็ดขาดเลยก็โลบไปให้ตัวธาตุสี่างนจะโลบไปทำไมอาจริง้าพระดีกูลไม่จะหลงว่าตนสวยตนงามตนดีตนวิเศษที่สอะไรว่าตนไี่หนุ่มไม่แก่งไงตะก้อนดินแท้แท้ตำนวลวช า, านั่นโบราณนั่นแต่งไปคำโครงคำกรอนไลย อวดต้นอวดดินมันพูดเยี่ยมยากังพูดทั้งเรื่องของจริงอ่ะพูดถึงที่สุดเลยอวดดินอวดขีตัวดีแกตายลองคิดดูสิไม่มีปัญหาเลยอวดต้นอวดดินไม่มีปัญหาเลยก้อนดินทั้งก้อนเนี่แท้แล้วก้อนดินจะอวดเขาทําไมเอาตัวไปอวดเขาหรเรียกว่าปัญดินจะอวดทาง ก็อธิบายมาแล้วทักดี่คือก้อนดินเห็นทักจริงๆคือก้อนดินแทงเอาก้อนดินไปโชว์บ้านโชว์เมืองมือนกันโง่แส่โง่ของคนเราอายตนเองไม่ไปอวดไม่ได้หรอกอย่าว่าอวดโตนอวดดินอวดจีนอวดขี้ไม่มีปัญหาอีกเหมือนกันอะไรก็เอาเถอะทานอะไรลงไปเอาเถอะไม่เป็นอะไรหรอกมันเป็นอันเดียวกันน่ะ ทานดีไม่ดีก็เป็นอันเดียวกันนะเห็นนั้นถ้าหากเข้าใจชัดอย่างนี้แล้วทานอะไรก็เอาเถอะของดีของไม่ดีก็เอาจะเป็นของดี ม, มีค่านี้คุณแล้วของไม่ดีก็ทานเพื่ อ, อ ย, ยังชีวิตให้เป็นไปถ้าหากขาดอ น, นี้เสร็จแล้วนะั้นเป็นตายคนหรอกก็ลง่าตจงตาดถ้าหากเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วคนเราทั้งโลก จะ แ, แว้งหาตลอด24ชั่วโมงนักเอาเบ้าสู้ตลอดการเวลาหามานะ้ะฮามบำลุงคนเดียวคือ ก, ก้อนเดียวนี่แหละไม่ได้หนีจากนี้หรอกแล้วจะรู้สึกตนละอายตนเองตั้งบำลุงของไม่ดีจริงๆนี่มเาเบนะ่งนี้แล้วถ้าพิจารณาทำมันต้อไปั้นถ้าพิจารณาถึงโลกแล้ว หากินและหาทานของอเ็ดอร่อยของมีค่ามีคุณประโยชน์อย่างนั้นอย่างเงี้อยอะไรต่างๆไว้ไม่ใช่แต่เพียงว่าจะจะหามาความรุงให้มันยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นยังจะไปอวดโผคนนั้นคนอื่ซ้าคุยโม่ใหญ่โตฐานไกวใหญ่ใบโตนี่มันออกไปนอกทำมันไม่เป็นธรรมมันต้องไปให้ทันท่านี้มันก็เลยเป็นเรื่องหามากเลยค่ะอันน้อยไม่พอ โอ้เท่าไรก็พออวนเท่าไรก็ไม่พออวดใหญ่โอ้ใหญ่แล้วกลายเป็นเรื่องลำปากยากยุ่งไปใหญ่กับในตอนนี้สุกันเมาอยู่คนเดียวเรื่องเราเมาคนเดียวน่นะเมาวันไม่มีประโยชน์ถ้าหากเราพิจารณาธรรมะดังอธิบายวันนี้แล้วจะมีความเพลินสนุกในเรื่องการคิดเจรนาปัญญาจะเกิดความขอ ง, ของ ล้วพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าสะสมอบลมเจริญปัญญาปัญญานี่เป็นปัญญาเพื่อพ้นทุกปัญญานี่เพื่อจิตใจ้องใส่ได้โอ้อวดผู้ใดปัญญานี่เป็นปัญญาเพื่อความบริสุทธิ์ไม่ได้มีกิเลสเข้าไปแฟงและกะรยู่เย็นเป็นสุขทั้งตนและคนอื่น อยู่ไปชั่ววันวันจะรับความสุขเมื่อเรา เ, าเราละเสียซึ่งความถือตนอาขัางการมังการมันก็ไม่มีการกระทบคนนั้นคนนี้มันก็ไมเดือดร้อนแต่คนอื่นคนเราก็เย็นคนอื่นก็นกนจะบางโลกทั้งหลายได้ผุทหัดได้ยังงั้นมันก็อยู่เย็นไปนสุขมดทั้งโลกอันนี้คนเราจะไปะหาแก้ทั้งเรื่องภายนอกมันแก้ไมไหว อย่อาขอแค่ให้อยู่ดีกินดีอะไรรัฐบาลที่พาการประกาศโฆษณาเนี่ยให้อยู่ดีกินดีทั้งงั้นไงเราคิดดยู่ที่อยู่ดีกินดีอยู่การธรรมดาหามันก็ต้องมีการกระทำกระเทือนกันนะครับการพ้น<ะ>บ่างก็แสวงหาเดียนกันนั่นใช่ก็อยากได้ใช่ก็หาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่านี้อาจะพอยังไม่พอได้เท่าไหร่แต่ยังไม่พอสักที ก็เพระเหตุที่ความถือตนถือตัวอวดดีอวดติมมันยังค่อยเป็นเหตุในเยื่อถยุกยิ่งโย่อยิ่งขึ้นมาเมืม่ยอโย่ยิงถ่านองด้วยปาประกอบเป็นเรื่องกระทบกันเบียดเบียนกั น, แ, กนแต่ถ้าเบียดหยามคนที่จนคนทุกข์มันจะได้ความสุขมาจากไหนแบบต้องทับถมซึ่งกันในการ น, น, นั้นทำโมหะเวรคติธรรมจารี พระพุทธเจ้าตั้งประเทศนาวะธรรมโอหะเวรตติธรรมจารีผู้ใดมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่หรือคือรักษาธรรมะอย่างที่อธิบายเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมทำย่อมตามรักษาพุกนั้นให้ได้รับความสุขทุกคนหน้าพากะมีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วได้ความสุขทุกๆคนแล้วมันจะสุขหมดทั้งนทีอันนี้คนอื่น บางทีมีคนแล้วคนรักษาความสุขมีธรรม เ, เรองเกิอยู่คนนอกนั้นมันไม่มีธรรมเอเกิ อ, อยู่มันก็กระทบกับเทือนักเบียบเปบีย น, น, นกันกต่คนอื่นคนที่มีธรรมก็เลยพลอยอยู่ไม่ได้อีกแ น, นานนักเท่าเพราะอาจทํามันมากกว่าธรรมันก็เลยวุ่นไปตั ก, กยากเหลื อ, อยากที่จะทนทานไหว ม, มนุษย์ชาวโลกจะเป็นของจะรู้เป็นเรื่องมากเห็นนั่ยังพากาาันบำรุงเพื่อเจริญในเจริญปัญญา ดังเทศติบายานี่การเจริญปัญญาถ้ามันมีที่ตั้งแล้วมันมีที่พิจรารณาไม่มีเครื่องวัดการเจริญสมถะก็ลงนี่เหมือนกันคือมายึดเอาตัวนี้แหละพิจรารณานี่แหละพอเราพิจารณาแน่วอยู่ในนี่ทีเดียวนั่งติดตัวสมถะไม่หนีไปจากอื่นไม่หนีไปจากตัวม่หนี้จากกายพิจรารณาธาตุสเนี่ยนั่งไปลงนังอธิบายมานันก็ดีหรือว่าพิจารณาเห็นสัตว์ปฏิปุริ หรือจะพิจารณาเห็นโทษทุกข์ของไม่เที่ยงในตั้งฐาท่างกายผลิตเมื่อเราพิจารณาแนวอย่างอารมณ์มันเดียวก็เรียกว่าสมาถะความรู้แจง้งชัดตามเป็นจริงมันก็เกิดปัญญาพิจนรามันก็เดียวกันนั่นแหละอยู่แห่งเดียวกัน น, นั่นแหละเหตุนั้นการปฏิบัติมันมีหลักให้มันมีเกณฑ์ถ้าปฏิบัติบัดไม่มีหลักมีเกณฑ์เน่ะงมงายทําไปสิง่งสี่สิห้หยิบโน่นสวยนี่ ใครว่าดีตรงไหนก็วิ่งไปใครว่าดีอะไรก็เอาวิ่งไปดิบมาแล้วมันก็เลยไม่ดีสักทีแล้ไม่ถูกมันก็เลยไม่ถูกสักทีความเป็นจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนดังอธิบายนี่เป็นของถูกแล้วแต่ตัวเรายังทํำไม่ถึงและทําไห้ถันถูกคือเรายังกระจับกระส่ายวิ่งง น, นวิ่งนี่อยากได้ดีให้ท่านอทันใจปรเดี๋ยวปรดาวนั้นเมื่อไม่สมประสงค์ก็เลยเลยวิ่งหาจริงอื่นอีกต่อไป อันแบบนี้เอาเถอะไม่ว่าธรรมะธรรมโมไม่ว่าจริงใดๆทั้งหมดละ่ะหยิบโน้นเฉือนี่ละ่ะไม่มีหลักไม่ฐานอ่ะเรียกว่าคนจับจดไม่สําเร็จประโยชน์หรอกถึงแม้จะอาชีพทั้งโลกก็เอาเถอะจับจดแล้วไม่สาเร็จประโยชน์แน่นอนการศรรึกษาเราเรียนก็ไม่สําเร็จประโยชน์แน่นอนการวิวัฒน์ธรรมากก็ไม่สําเร็จเหตุนั้นจึงหากตั้งหลักปังให้มันแน่นตั้งมั่นอยู่ในที่นี้อย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าเราถูกวันทางแล้วถึงเราจะมันเป็นก็จะไปทิ้ง ครั้นี้เรียกว่าฐานถูกแล้วนี่แหละธรรมะที่อธิบายมาในวันนี้เพื่อให้จับหลักนี้ให้มันได้เล้วเอาไปเปิดพื้นปฏิบัติพึกธหัดหากยังมานั้นถึงขั้นนั้นแต่ก็อย่าไปทิ้งหลักนี้พอไม่ทิ้งเป็นของถูกแล้วก็จะเกี่ยวกับเจตนาไว้อย่างไรให้พึกธควรอบรมตรงนี้ที่เรียกว่าสติปัฏฐานาสี่ก็คือกายาเวทนาจิตตาธรรมานี่แหละไม่ใช่อื่นที่ไกล ให้ตั้งหลักนี้ครัมันปักลงเขามันหนักแน่นแน่วแน่ผ่านยังไม่ทันเป็นก็อย่าไปทอดทิ้งแล้วอย่าไปทําครับอย่าไปทำไทำใจร้อนขอให้ยึดปากถือถูกแล้วถูกอยู่แล้วหนทางแต่เรายังไม่ทันถูกคือเรายังไก่ร้อนเพื่อไม่ทันปล่อยวางอารมณ์อื่นเรายังมุ่งโน้นมุ่งนี่และงสงสัยลังเลอยู่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าไม่ลังเลงสงสัยแล้วอันนี้ถูกต้องดีแล้วล่ะ มันก็เป็นการคอดละปล่อยวางเรื่องอารมณ์มนดีมันกันแน่วอย่ในเรื่องเดียวก็มีวันที่จะให้ถึงความให้ถึงความผสมในการที่เราปฏิบัติอธิบายมาในวันนี้ก็เียงแค่นี้แหละ